ดิมันมก็ผ่านไปเมื่อเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเพะพวกเราถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยให้เรารับรู้วว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกดิมันมก็ผ่านไปอย่าประมาทแล้วก็อย่าหลงและเลทั้งลืมเนื้อลืมตัวเตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้ไอันนี้ตั้งหลักเลยเวลาใจมีความทุกข์ปับ๊บอ๋อทุกข์นี่อยู่ไม่นานแล้ว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 สายสติอย่างตอนเนี้ยบางท่านอาจจะมีความสุขลองมีสติดูสิความสุขนี่มันเปลี่ยนแปลงเดี็กก็เปลี่ยนเป็นความเบือ่อความเซ็งนี่บางคนกําลังเซ็งอยู่เนี่ยดูนะวิสติรู้เลยอ๋อนี่กําลังเบื่อกําลังเซง็งเด็กมันก็เปลี่ยนแปลงเด็วมันก็หายไปไม่มีสิ่งไหนคงนที่เช่นว่าเราชอบอาหารที่อร่อยที่สุดอ่าสมมุติว่าชอบส้มตําถ้าลองกินเนะ่ยเช้าส้มตํา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 สติออกมาห้าสิความปวดระไปยห้าสิ บ, บถ้าสติมากยิ่งขึ้นนี่มันจะหายไปเลยนะไอเนี้ยเป็นการเอาชนะใจตัวเองเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมานี่อย่าเพิ่งซื้อมือถือรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่อย่าเพิ่งซื้อมีอสติรู้ทันเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเอาชนะใจตัวเองได้แล้วเวลาเกิดความไม่พอใจมีสติรู้ทันแล้วสิ่งนั้นก็จะหายไปอย่าเพิ่งทําตามนี่เป็นการเอาชนะตัวเอง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 มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนมันพัฒนาชีวิตเราหรือเปล่าถ้าเป็นงานที่พัฒนาชีวิตเราก็ทำไปเถอะเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าทำไปเถอะอย่างน้อยงานที่เราทำเนี่ยก็เป็นงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ได้เบียดเบียนใครก็ถือว่าใช้ได้แนละ้วมีประโยชน์แล้วรักงานที่เราทำนะเราจะกระตือรือร้นที่จะทำมันก็จะมีความขยันก็จะมีความสุข ก, กับการทางาน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 สำกัญที่รายจ่ายแล้วรายจ่ายมันจะหายไปจากไหนจากการเที่ยวการดื่มสุรากิน ย, ยาเสพติดสิ่งเสพติดและเล่นการพนันอันนี้คือจโจรพ้นทรัพ์เท่าไหร่ก็ไม่พอการพนันสิ่งเสพติดการเที่ยวเตะให้หา่มันหมดไปเลยนะแล้วเราเงินหมดแล้วเนี่ยกระท้อแท้หมดกาลังใจไม่อยากทำานแล น่าระวังให้ดีย้ายพวกนี้มาปล้นเงินจากตัวเราไปต้องรู้จักควบคุมถ้าไรายได้ไม่เพียงพอก็ทำไรายได้พิเศษหารายได้พิเศษนะทํางานนอกเวลานี่ก็เป็นการเพิ่มไรายได้รู้จักหาต้องรู้จักเก็บรักษาเหมือนถ้าเก็บคู่หนึ่งอะถ้าเก็บอันเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์แหละถ้าสองอันคู่แล้วก็จะมีประโยชน์มากมันหนีบได้กินมได้ด้านหนึ่งก็หมายถึงว่าการหา ด้านหนึ่งคือการใช้จ่ายต้องสมดุลกันเหมือนตะเกียบหนึ่งคู่อันนี้แหละพอมีเงินเหลือเราจะมีกําลังใจสําคัญนะรายได้รายจ่ายต้องให้พอดีต้องควรอีกอย่หนึ่งก็คือการใช้ชีวิตมันก็ย่อมมีอุปสรรคไหนใครใช้ชีวแบบไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความลําบากเลยการทํางานก็ต้องมีอุปสรรคมีความลําบากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นเราอย่าท้อแท้ใจ